บทภาชนีติกะนิสกิยปาจิตตีห้าร้อยสิบสิฆสุณีที่ไม่ใช่ญาติภิกษุสําคัญว่าไม่ใช่ญาตรับจีวรจากมือต้องอบัตินิสกิยปาจิตตีเว้นไว้แต่แลกเปลี่ยนกันภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติภิกษุไม่แน่ใจรับจีวรจากมือต้องอบัตินิสกิยาปาจิตตีเว้นไว้แต่แลกเปลี่ยนกันภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติภิกษุสําคัญว่าเป็นญาติ รับจีวรจากมือต้องอบัตินิสกิยาปลายจิตตีเว้นไว้แต่แลกเปลี่ยนกันตีกะทุกกฎภิกษุณีผู้อุปสมบทในสงฆ์ฝ่ายเดียวพิกษุรับจีวรจากมือต้องอบัติทุกกฎเว้นไว้แต่แลกเปลี่ยนกันภิกษุณีที่เป็นญาติพิกษุสำคัญว่าไม่ใช่ญาติรับจีวรจากมือร่องอบัตทุกกฏพิกษุณีที่เป็นญาติภิกษุไม่แน่ใจรับจีวรจากมือต้องอบัตทุกกฎ พิธุนี้ที่เป็นญาติพิสูจนสำคัญว่าเป็นญาติรับจีวรจากมือไม่ต้องอาบัด